เกิดเรื่องจิตหลายครั้งหลายหนแหละบางคนเนี่ยมันจะรู้จิตของตนจิตคืออะไรไม่รู้เรื่องของจิตใจคืออะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้ว เ, เกิดมาด้วยคำจิตนี่แหละมาเกิดที่แรกจิตมาตั้งประิสนธิที่แรกพอจิตนั่แหละมาเกิด เรายังค่อยใหญ่มาเป็นคู่เป็นคนเป็นตนเป็นตั ว, ต ว, ตวมาจนตอนนี้ก็อยู่กับจิตแต่ไม่นนรู้เรื่องของจิตมันยากมือันที่จะรู้เรื่องของจิตเห็นตอาการของจิตอาการมันคิดมันเนคมันส่งมันสายมันโกรธมันโลภมันหลงเห็นแต่เงาไตัวจริงก็ไม่เห็นเลย เี่วาเป็นการยากลําบากอยู่ซึ่งจะเอามาจับออกเอาตัวมาตั้งให้ปลากดคือต่อหนามันก็ยากเพราะไม่มีตัวจะจับให้ดูมันก็ตัวมันแรงต่างมันไม่ใด้อะไรนะทำยังไงเราได้แต่พูดให้กันฟังก็เหมือนกับคําพูดนั่นแหละคำว่าจิตบวิจัยคําว่าจิตวิจัยนั่นก็คําพูด แต่ตัวพูดนนั้นไปอยู่ไหนก็ไม่ทราบข้งว่าจิตวิจัยนั้นม่้สาวไปอยู่ไหนเป็นแต่ลมพ่นออกมาให้ปา่ากดเสียงอทีบายให้ฟังว่าถ้าหากอยากจะรู้ใจให้กั้นลมให้ใจยังไะกับคูดอยู่แล้วว่าใจว่าใจพอกั้นลมทั้งนั้นนี่ยไม่มีอะไรเลยคำว่ามันไม่มีนั่นเอง มีปรากฏมีตัวยืนมันยังมีอยู่นะคำว่าแม่มีมันยังปรากฏก็มีอยู่นะผู้ว่ามีเลย่ะผู้ที่นับนะปรากฏรู้สึกว่ามีอยูน่นะ อ, อันนั้นคือตัวใจมันในคิดมันนึกมัรู้สึกอะไรเลยมันอยู่เฉยของมันอันนันเป็นตัวใจตัวจิตคือผู้คิดผู้นึกทั่ออกไปจากนั้นลนะออกจากคุณนะนะั้นละ มันคิดมันเนี่ยมันตรุงมันแต่งมันจดจํานั้นนี่แรงต่างสารพัดทุกอย่างท่านท่าในไม่มีใจมันก็มีอาการมากมายแล้วคนเราที่พระก็ไปก็เพรมันมีใจนั่นจึงหลงตัวลืมตัวเสียท่านท่าหมันมีจิตนั่นจึงลืมตัวหลงตัวเสียแค่ท่นมีใจอันเดียวแล้ว ไม่ลืมตัวเลยอยู่นั่นงคนเดียวไม่มีอะไรมากมายที่ท่านดแสดงทั้นเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานท่านอธิบายในธรรมอธิอธรรมมีสี่อย่างจิตเจตสิกลูปนิพพานแต่ท่านไม่พูดทังเรื่องใจ คือว่าจิตอันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นท่านก็พูดอยู่หรอกในที่นี้ท่านไปพูดถึงเรื่องใจไม่พูดถึงเรื่องจิตเรื่องเจตสิกถึงเรื่องลูกถึงนี้เรื่องนิพพานทาไม่มีลูกเมื่อไหร่จ่าจะทําอะไรนิพพานก็ทําไม่ได้เพามันมีลูกยังมีจิต เจได้จิตเคลื่อนเป็นเครื่องสนับสนุนจิตอย่างว่าแล้วโกรธอย่างเงี้ยถ้าไม่มีความโกรธมันมีได้จิตได้เฉยมันโกรธมันไม่ดุนไม่แรงมันสนับสนุนความโกรธน่ะนะอันนี้เจตจิตความโกรธกองเครียดแช่หนาแดงต่างจนกระทั่งพยาพาตอพาตนั่นแหละทุกเจตสิต บุญกุศลนั่นตามันเกิดขึ้นเพราะเจตสิกสนับสนุนถ้าหาไม่มีแสงเครื่องสนับสนุนมันก็ไม่ไมแรงหลงพ่อมาเปรียบเหมือนกับท่านในสมัยใหม่เขาพูดว่าพาลังของใจอย่างเดียวแนวพลังของใจพิจตสิกเจตสิก น, น, น, นี่แหะ วุนวี่วุ่นวายสารภาพทุกอย่างปรุงแต่งนั่นนี่อะไรคิดนีกปรุงแต่งหลายเรื่องหลายอย่างคือลืมตัวเนยไ ม, ไม่ไม่หยุดไม่ยัง้งไม่เข้าถึงใจแททีเห็นนั้นเราหาอยากจะรู้ถึงเรื่องใจทำอย่างอตมาพูดอัะ่นะี้ขั้นลามาใจแมอขั้นทุกคนอย่าะงนะีมีมะตัวใจแท้ก็มีเหมือนกัน ร่างลมท่านน่ะนหมดเลยหยุดหนึ่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันอยู่ในชั่วขณะที่เรากั้นเอาไม้ใจใจในที่นี้จิตหรือใจในทนี่นี้นันอธิบายทั้งเรื่องทั้งเรื่องใจที่ของเป็ น, นกลาง อันว่าจิตอันใดใจอันนั้นใจในใจิตอันนั้นแต่มืท่านพูดเป็นสองอย่างมันต้องแปลกกันอยู่ลักษณะอาการแปลกกันอยแปลกด้วยเหตุนี้แหละในการทดสอบทดลองรู้ว่ามันเป็นไ น, นใจแท้แกล้นลมหายใจเท่านั้นเงียบหายเลยจะรู้สึกอยู่ของมันพื่ของกลาง ตอนที่เป็นกลางๆทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอียงๆทางโน้นทางนี้ไม่ดีไม่ชัว่วไม่หยากไม่ละเอียดอันนั้นเนี่วัดใจใจคือตัวกลางเราชี้เข้ามาทำอกทำกลางอกนี่แหละที่ว่าเขาใจคนอยู่ไหนอ่ะชี้เข้ามาทำกลางอกตรงกลางนั่นแหละใจแท้ที่จริงหาได้อยู่นัหนมันอยู่ทั่วไปหมด ที่ปลายมือปลายเท้าที่ปลายผมมันก็มีใจนี่แหละจะอยู่เจ็บปวดโน่นนี่อะไรต่างเขาพัดทุกอย่างมันจะหาเจ็บตรงนั่นอ่ะที่ตรงนั้นอ่ะที่ปลายเท้าปลายมือคุณที่ทีสากมันก็ไปเจ็บตรงนั้นแหละมันวิ่งไปตามมันนั่นแหละแม่ที่ต้นไม้เร า, เาใจได้ ไปใส่ต้นไม้คนไหนมันเลยอยู่ในใจพ้อกระรางมันฆ่าของหัดยังก็เท่าต้นไม้สั่นสะเทือนนู่นนมันใจของเราไปอยู่แต่เราไม่หัดยังไงเราเราหัดดูเฉยๆนี่แะดูให้มันเห็นใจของจริงของตัวใจเดิมไม่ใช่ที่เฉยนี่นหละนั่นเรียกว่าใจส่งจิตเป็นคิดใัสารภาทุกอย่างว่านี้ ขอ้อเกตดงนั้นจิตจิตแปเพ่ากูคิดกู้นึกในทางธรร ม, มะเชื่อว่ามัโนพุพังคมาธรร ม, มาทรรมทั้งหลายในใจถึงก่อนมโนเจตถามมโนโมยาใจเพื่อนของประเรสเริฐซัมแล็ตแลด้วยใจมนัสาเจประสันเนนะอาสติวะอากรุติวา แม้จะพูดจะจ่าพระพัดทุกอย่างก็ต้องใจนั่นแหละเป็นกดถึงก่อนแต่ยังเคยพูดตรงจ่าได้กันพูดเหมือนกันเรื่องใจกาพูดเรื่องจิตตรงมีจิตแต่งพับพัดสด้างอาคันด้ยเจนเจเป้นนีจนจิตเปต้นปของของใสสะอาดอยตลอดเวลา อานานทุกข์จิเลสจางหายดรอกนั่นที่มันเศ้าหมองจิตที่ของเราเ้าหมองอาการก็อาการทุกขจกิเลสคือกิเลสจอดมาแล้วเด็แต่จิตต้่งไปนึกไปนึกไปคิดไปปรุงไปแต่งไปคิดแต่จะไปชวนเอากิเลสมาอันนั้นเท่านังเรียกว่าจิตท้าหายด้ว้ จิตแต่งพระสรังฆนะถ้าหากจิตไม่แม่ของใส่ตลอดเวลาเราทํำความสะอาดไม่ได้เรบจิตทุกคนทำความสะอาดไม่ได้ของไม่สะอาดจะไปทํายังไงมันมันมันมนจะอาแล้วก็ไป่สะอาดได้ทำไมชาตบล่างของทุกปกแล้วไม่สะอาดได้เลยอย่างที่เป็นแม่เหล็กก็ดีหรือเป็น แ ร, แ, รแร่ทองคำแร่แร่ของก็ดีที่มันตกอยู่ในดินนั้นมันไม่ทันสะอาดอย่าทําทง่ายๆก็ไม่สะอาดตพอาเมื่มันหอมมาห ล, อาหลอ่อให้มันเป็นก้อนนี้กลุ่มแล้วจะค่อสะอาดเห็ดเมนกินดาที่ตกอยู่ในยืนเป็นเป็นดินมันใสะสะอาดอยู่แต่เดิมมาแล้วหัวหมองก็เพียงวาอาคาันทุกใบกิเลสเราขัดอันนั้นออกไปแล้วจะด้านในด้านออกแล้ว นันของอคันตุกกากิเลสออกไปหมดแล้วมันก็ใสแจ๋วตามเดิมของใสกันเด้งอ่ะกิเลสเศ้าหวองในจิตนั่นก็คือว่ามันอาคารถูกกายกิเลสเว่าเศรหมองเขาเป็นของของใสถ้านยังทาให้สะอาดได้ที่เราหัดมีหัดทํากิเลสให้มันหมดนัเถอะนะทํากิเลสให้ัหมดมันจีน เ, เรื่องเราทํา เพื่อขัดเกลวเพชรนะนะดแบบเพื่อใมันใสสะอาดคืนตามสภาพเดิมยังว่าให้พาทั้งเข้าใจทั้งเรื่องใจเรื่องจิตใช่ไหทำกองเพียนพรวนมาทักเท่าไรเท่าไรกรร็ไม่รู้จักเรื่องจิตเรื่องใจไม่รู้จักเรื่องจิตเรื่องใจก็ไม่ทราบไปชำระตรงไหนของสะอาดไมรู้จัก อะไรเป็นของใสสะอาดคือคือใจนั่นเองเป็นของใสสะอาดมันกับเพชรนั่นเองแ้วมันขัดเทชรน่ะนะมันใสสะอาดมันเจได้ไหามันใสสะอาดเมันกับผ่องใสเสมาแล้วจริเรา้จากเข็รถ้าเราอยากไดจะไปเอาไหนมาทำของใจสะอาดอคันดุกอากลศมันมีหลายอย่าง เรื่องความโลภความโกรธความลงส่วนคิดส่วนที่มันหนาแ น, น, น, น, น, น่นคือมันห่มหอ่อเลยปกปิดนมิที่จริงมันโกรธความโกรธนะ่ะหนาแน่ น, น, นทึบไปในตัวเลยจนไม่ทั่งในเหตุตัวมันโกรธจนไม่รู้สึกตัวแล้ว ย, ยาบเลี้ยงก็ไม่รู้สึกตัวในสาวเราโกรธนี่ไง หน้าบึงหน้าเดียวเห็นอาการภายนอกหน้ายักหนามานเห็นอาการภายนอกเท่านั้นเห็นทั้งภายนอกยัี่ยมีอะไรใจมันไม่ทราบอยู่ไหนกันขุนมัว ค, คุดคิดขุนมัวเท่าหมองมันตลอดเวลาต่อเมื่อไรหายจากโกรธแล้ว ให้ใสสะอาดจะมารู้ตัวะะแล้วครับใอ้คนไม่รู้ตัวมันก็ยากเหมือนกันไม่ทราบเลยทำยังไงคนเราถ้าหาไม่รู้ตัวซ้อนเท่าไรก็ไม่รู้เรืไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจสอนเธอสอนเท่าไรก็สอนเธอไม่เข้าใจโบราณถ้าว่าหนามัหน า, หนา มันกิเลสหนาไม่ใช่หนาเกิเลสมันนาถ้าหากของใสสะอาดแล้วพูดนิดหน่อยก็เข้าใจเขารู้เรื่องได้คือมันคอยมันคอยรับอยู่ตัวสะอาดมันคอยรับธรรมะจะอาดมันคอยรับอยู่เสมอเสมอพอพูอนิดเดียวหน่อยก็เลยรับได้แต่ถ้าหากมันมนึหนาจึบอยู่กัน แทนพยายาเข้าใจหรือกล้าโกรธจริงเก่ามีคนไดคนหนึ่งมาพูดตัดเตียงนะก็จริงเก่าเขาทั้งดีก็หาว่าสองทำเนี่ยเยอะเาทำเช่ยิงย่งซ้ำหลายตัวเก่าโดยไม่มีดีสักอย่างเหตุ <S <S นั้นนี่ว่าทุกคนเที่เรามาปฏิบัติสุภาพนี้ก็ต้องการชําระวิจัยขัน้นต้น ให้เข้าใจเรื่องใจเรื่องจิตเท่านี้ก็พอไม่ต้องเข้าใจมากมายแล้วแล้วกดูนั่นแหละให้เห็นจิตเป็นแจมังตนนั่นนะจิตเป็นไงใจเป็นไงไรู้เรื่องของจิตของใจเท่านั้นนะยูจะเพาะรนั้นความรู้อัอนนั้นนะ่ะเรียกว่าวิชาเรารู้ใจมันต น, น, นเป็นวิชาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นปัญญาเกิดขึ้นมาแล้ว จะไปหาไหนอีกเป็นญาติชายจะไปหาไหนมันมีแ่นั่นแล้วไม่รู้ตัวอันรู้ตัวรู้ตนนั้นแม้แสนพิเศษแล้วนะจะองหาไหนอีกหารู้ตัวรู้ตนมันก็กลับตัวกับตนได้นั่นเเข้าโมฆะเข้าสังข์คได้นั่นเอถ้าไม่รู้ตัวแล้วก็ไปยังหาเดียว ใครจะว่าแม้แตไปห่าเดียวไม่ยอมแพ้นะักนานนะขา้าวก็อยู่กับหมูกับเพื่อนก็ไมได้เขาฆ่าท่อเขาคลก็ไม่ได้ยิ่งเอาใหญ่แลยทานี้เขาหมูเพื่อนไม่ได้ยิ่งโกรธใหญ่เลยน้อยใจใหญ่เลยไม่เห็นตัวเองไม่เห็นเรื่องของตัวเองเขาคิดงานชัเรื่องตัวขอเองง เอมันมีผิดตรงไหนไม่ถูกตรงไหนเรื่อตนตัวเราจะแก้ไขกันหมดเรือคนเราคับที่อยู่ก็มูกับเพื่อนไม่ได้ทรอเพราะเหตุนี้เองแตมาเคยไปเที่ยวป่าอยู่ก็พวกป่าพวกมูเจองั้นเห็นได้ง่ะเห็นได้ชัดคนไหนไม่ถูกเพื่อนเนย หมูเขาเที่ยงว่ดโยกคนเดียวยิงไม่ป่าคนเดียวไม่ต้องมีใครบากหรอกรู้ตัวเลยรู้เลยรู้ไปเห็นรู้เลยทีเดียวแหละไอ้นี่มันเข้าเพื่อนไม่ได้เขาผมก็ย่อบีง่ายนา <c oughs> หมูเพื่อนเขาไม่เช่าเขาซะ้นของเขามีอะไรหรอกมีพลาผ่อนาำเอาสุดสองตัวแลวก็ป้ายอยู่เลยเปิดนีเลยการ่ามันเกินป้านี่ตัว น, นี ให้นี้ไปให้สกาไปนอนอยู่นั่นแหะนอกบ้านนั่นแหะนอนนั่งก็นอนหรอกมันคนป่าคนบ้านเชิมันถ้าบอกคาถ่ามันไม่ดีอันน้มันเห็นได้ง่ายถ้าหากับค้นเราได้อย่างน่าจะดีมากคือยาเป็นการทรมานตัวเป็นคนการทรมานอยู่ในตัวนี่ขอให้พิจารณาตัวเองถึกทุกคนนะใครๆก็ ถ้าเห็นตัวรู้ตัวอย่างนี้แล้วตลอดเวลานั่นเลยค่อยดีขึ้นมาฝึกหัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการฝึกหัดดัดกายวิญใาใจกับหัดของคนนี้อ่ะทั้งเข้าหมู่เข้านณาได้เลยอ่ะเอาละตอนนั้นน่ะ